เรื่องตรัสวินัยกถาสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสวินัยกระถาแก่ภิกษุทั้งหลายทรงพันนาคุณแห่งพระวินัยตรัสสันเสริญการเรียนพระวินัย ทรงพรรณนาคุณของท่านพระอุบาลีโดยประการต่างๆภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษากันดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสวินัยคาถาทรงพรรณนาคุณแห่งพระวินยัยตรัสสรรเสริญการเรียนพระวินยัยทรงพรรณนาคุณของท่านพระอุบาลีโดยประการต่างๆขอให้พวกเรา มาเรียนพระวินัยในสำนักของท่านพระอุบาลีกันเถิดภิกษุเหล่านั้นจํานวนมากเป็นเถระก็มีเป็นนวักะก็มีเป็นมัชชิมะก็มีพากันเล่าเรียนพระวินัยในสำนักของท่านพระอุบาลีท่านพระอุบาลีก็ยืนสอนด้วยความเคารพภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระ ฝ่ายภิกษุเถระทั้งหลายก็ยืนเรียนด้วยความเคารพธรรมด้วยเหตุนี้ภิกษุเทระทั้งหลายก็เมื่อลา้าและท่านพระอุบาลีก็เมื่อลา้าภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุนวกกะผู้สอนนั่งบนอาสนะเสมอกันหรือสูงกว่าได้ด้วยความเคารพธรรมให้ภิกษุผู้เถระผู้เรียนนั่งบนอาสนะเสมอกันหรือต่ำกว่าได้ด้วยความเคารพธรรม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 นั่งรวมกันได้ต่อมาภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษากันดังนี้ว่าที่ชื่อว่าภิกษุมีอาสนะระดับเดียวกันด้วยคุณสมบัติเท่าไหร่ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุ ทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุผู้มีพรรษาแก่กว่ากันอ่อนกว่ากันระหว่างสามพรรษานั่งรวมกันได้สมัยนั้นภิกษุจำนวนหลายรูปมีอาสนะระดับเดียวกันนั่งบนเตียงเดียวกันทำให้เตียงหักนั่งบนตังเดียวกันทำให้ตังหักภิกษุทั้งหลาย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 ยำเกรงที่จะนั่งบนอาสนะยาวร่วมกับภิกษุผู้มีอาสนะต่างระดับกันภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้นั่งบนอาสนะยาวร่วมกับภิกษุที่มีอาสนะต่างระดับกันได้ ยกเว้นบันดอกมาตุคามอุพะโตพยัญชนกต่อมาภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษากันดังนี้ว่าอาสนะยาวที่สุดกำหนดไว้เท่าไหร่ภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตอาสนะยาวที่สุดนั่งได้สามรูปสมัยนั้นนางวิสาขามิคารมาตาประสงค์จะให้สร้างปราศาสตร์มีระเบียงและมีหลังคาดังเสิร์ต ตั้งอยู่บนกระพองช้างถวายสงลำดับนั้นภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษากันดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตการใช้สอยปราสาสหรือยังไม่ได้ทรงอนุญาตภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ใช้สอยปราสาททุกอย่างสมัยนั้นสมเด็จพระอยิยกาของพระเจ้าประเสณที่โกสนที่วงคตเพราะการที่วงคตนั้นเครื่องอากัศปิยพันธ์จำนวนมากจึงเกิดขึ้นแก่สงคือ 1. เตียงมีเท้าสูงเกินขนาด 2. เตียงมีเท้าเป็นรูปสัตว์ร้าย 3. พรมขนสัตว์ 4. เครื่องลาดขนแกะลายวิจิต 5. เครื่องลาดขนแกะมีสีขาว 6. เครื่องลาดมีรูปดอกไม้ 7. เครื่องลาดยัดนุ่น 8. เครื่องลาดขนแกะวิจิตด้วยรูปสัตว์ร้ายเช่นราชสีและเสือ 9. เครื่องลาดขนแกะมีขนสองด้าน 10. เครื่องลาดขนแกะมีขนด้านเดียว11เครื่องลาดปักด้วยไหมประดับรัตนะ 12. เครื่องลาดผ้าไหมประดับรัตนะ 13. เครื่องลาดขนแกะขนาดใหญ่ที่นางฟ้อน16คนไร่รำ 14. เครื่องลาดบนหลังช้าง 15. เครื่องลาดบนหลังมา้า 16. เครื่องลาดในรถ 17.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 ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ตัดเท้าเก้าอี้นอนแล้วใช้สอยได้ให้ทำลายรูปสัตว์ ร, ร้ายเตียงใหญ่แล้วใช้สอยได้ให้รื้อฟูกที่ยัดนุ่นทําเป็นหมอนแล้วใช้สอยได้นอกจากนี้ทําเป็นเครื่องลาดพื้น